ไม่ได้ค่อยได้อยู่วัดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมีความจาเป็นนะแต่ว่าวันในพระในวัดของเราไม่เท่าไหร่ พ, พระเวรพระยี่สิบเอ็ดเดียนี้อยู่ที่วัดป่าบรรตานไม่อยู่สออยู่ที่นั่นแต่หลวงพอ่อดูดูแล้วก็โอหลวงพ่อไม่ใช่ไปแล้วสนุกสบายนะคณะลูกหลานเะล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 อถอยหลงโกฏออกมาแล้วก็ต้องมาวิ่งผิดถึงฐานตัวนั้นเหมือนเดิฐานต้นนั้นคือฐานอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครเท็จริหลีล่หนีพ้นไปได้แต่เวลาบกุบกออกไปไปสู้แต่เราก็ต้องไปคิดทํายังไงช่วยยังไงจัดการยังไงแต่มันสุดวิสัยจริงๆมันเกิดวิ่งเข้ามาหาฐานก็กอีกอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกมันต้องลักษณะอย่างนั้นน่ะจึงไม่เสียศูนย์เหมือนเดิถ้าคนไม่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 จะดูจะด่าใครจะว่าให้ใครก็มันก็เท่านั้นดูดายุว่าอยู่บ่าทำอย่างนี้ทำนี้แต่ว่านึกถึงในใจเราก็ต้องดูฟังเจตนาดูเจตนาของเขาเขาเจตนาดีแต่เขาก็มีเจตนาอย่างนั้นมีความคิดเท่านั้นมีความเห็นเท่านั้นเสียงเหล่านี้มันต้องออบวกลบคูณหารทบทวนดู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 แต่ผมพูดใหเจ้าท่านรู้ถ้าพวกท่านฉันไปแล้วที่ต้องเป็นพิษแต่ไม่เป็นไรสําหรับเราอเราก็จะทิ้งขันในวันนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องของเราจากนั้นพอถาวายอาหารเสนาแล้วพระองค์ก็เดินทางเ อ, อไม่มีรถรถจนไม่มีรถมา้าไม่มีรถอะไรเดินไปเรื่อยเหมือนกันเดินซัดเสพเนจรไปเรื่อย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 ตรงถึงฝั่งแม่น้าที่จะข้าม ท, ทิ่งทั้งข้างล่างได้จะข้ามไปเมืองกุศินารานพระองค์ก็บอกพระอานุนว่าอนุนให้พับผ้าสังฆาติเป็นสี่ชั้น เ, เราตถาคตเหนื่อย เ, อเราตถาคตจะพักนี่แหละคือสมัยนั้นไม่มีเสือมีศาสตร์มีหมอนอีกต่างหากคือใช้ผ้าสังฆาติทั้งม่มด้วย ทั้งปูนอนด้วยครับนี่แหละพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมีความสันโดษมากมายขนาดไหนถ้ามาเปรียบเทียบกับพวกเราทุกวันนี้ก็มันคนละทิศคนละทางแต่พระองค์เดินทางจากนั้นก็พระองค์ก็พระอาห น, นุ์ก็รีบจัดแจง จัดผ้าสังคาติปูนอนผ้านนก็อายุแปดสิบเหมือนกันนะีกับพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือพระนนก็ไม่ไม่ใช่พระหนุ่มผ้าน้อยอายุแปดสิบเท่ากับพระพุทธเจ้าพระสงนะ์ที่เป็นลูกศิษย์นักคมช่วยกันจัดการลุมดูจากนั้นพระองค์ก็นอนพักผ่อนพระ อ, องค์ก็บอกว่าอานอนให้นําบาตรไปตักน้ํามาให้เราดื่มที่เราหิวก็หาย เขาว่าหิวกระหายเขาบธาตุขันเนี่ยเหมือนกับรถน่ยมันหมดน้ํารถของท่า น, นมันหมดน้ําให้พระ อ, อ น, นุนไปนําน้ํามาเพื่อเติมน้ํามันรถ ด, ด้วยแต่ใจของพระ อ, องค์ไม่ได้สะทกไม่ได้ชะทานไม่ได้ทกกับาธาตุขันร่างกายของพระ อ, องค์แต่ก็บอกพระ อ, อ น, นุนว่าให้เป็นนาน้ํามามาให้ให้เราเราหิวกระหาย อ, อ น, นุนไปพระ อ, อ น, นุนก็ได้เอาบาต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 ขี้เกียจพาเดินไปเพราะงั้นเถอก็เลยเอามากินน้ําขุนขุนวัวก็ได้กินน้ําขุนนั่นแนหะทุกวี่ทุกวันอกลัมอันนั้นแหละมาตามสนองเรานี่เนี่ว่ากรัมที่สิ่งที่ไม่ดีแล้วอย่าทําเสเลยดีกว่าพอทําไปแล้วมันจะต้องมาให้ผลในในเวลาใดเวลาหนึ่งแน่นอนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าอากาตังทุกตังเสยโย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 ผลที่สุดก็ต้องอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได่เป็นใครพวกเราไี่เป็นใครให้ถามตนเองไว้อยู่เสมอจึงจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราถึงที่สุดแต้อย่างเราพ้นทุกข์แต่อย่างเราหมดกิเลสแต่อย่างเราเป็นพระอาหารหันต์หรืออยังให้ถามตนเองไว้ถ้าไม่ถามถ้าไม่ศึกษาถ้าไม่ถามลุ่มหลงมัวเมาไดไง้ง่ายๆเหมือนกันนะ